ดันั้นความไม่มีสติก็เนื่องจากว่าไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้นะไม่มีการศึกษาอะไรเลยไม่มีสุตมะยะปัญญาเป็นต้นนั่นเองเมื่อไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะอย่างนี้อะโยนิโสมนัสิการก็เจริญบริบูรณ์อะโยนิโสมนัสิการก็มีกําลังแก่กล้าขึ้นอะโยนิโสมนัสิกานี่โดยปกติเป็นเพศให้เกิดวิปลาสเมื่อชีวิตอยู่ด้วยความวิปลาสคลาดเคลื่อนคนเหล่านี้ก็เกียรตคร้าน เกียรครค้านเจริญกุศลนะกับเรื่องอกุศลเขาไม่ขี้เกียจขยันมากก็แต่ว่าเกียรครค้านในการเจริญคุณงามความดีบุญกุศลถ้าจะมีบัณฑิตแนะ น, นํนาก็แนะนํายากนะนะแนะนำยากเพราะว่าเชื่อมั่นตัวเองเกินกว่าที่คนอื่นจะแนะนําได้แล้วมีแต่ความถือตัวนะว่าเราเนี่ยนะใครจะเท่าเราใครจะสําคัญเหมือนกับเราใครจะพิเศษเท่ากับเราอันโน่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราก็มีแต่เรามีแต่ ของเราเนี่ยนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากทีนี้ก็มไม่มีศรัทธาในพระตนะตรยไม่มีกรรมมกตาศรัทธาไม่มีศรัทธาใน <c oughs> คุนของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาในศิกขาสาชีวิตก็อยู่ด้วยความประมาทประมาทก็ปล่อยจิตให้เป็นไปกับบาปอากุศลดังที่กล่าวมาแล้วกุศลธรรมทั้งหลายก็ห่างเข้าไปทุกทีที่สาคัญก็ไม่ฟังพระสัทธรรม ไม่ฟังปริยัติสัจธรรมไม่ฟังคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นคําสอนนําออกจากทุกขพันก็ไม่สํารวมทางกายวาจาและใจเนี่ยนะปล่อยใจให้โครจรไปด้วยความเพ่งเล็งจะเอาอย่างเดียวเมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการจะเอาก็เต็มไปด้วยความโกรธนะความโกรธพอก็เลยเป็นการปฏิบัติอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าห้ามการการเจริญคุณงามความดีเพื่อบรรลุมรคนิพพาน นะปิดกั้นตัวเองตลอดอันนี้วอลเนี่ยนะผู้ที่ถูกนิวร์ครอบงําท่วมทับทําให้ปัญญาทุรพลก็เป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองก็เลยถูกผูกไว้เนี่ยนะถูกสังโยชน์ทั้ง10ประการผูกไว้ตามทวารต่างๆถูกผูกไว้ทางทวารตาเนี่ยสิโซ่10เส้นนะนะถูกผูกไว้ทวารหูอีก10เส้นทวารจมูกอีก10เส้นก็สรุปว่าผูกถูกผูก60เส้นแลนะสังโยชน์สิคูณทวารห ก็ถูกผูกไว้แต่ไปหมดนะถูกล่ามไปหมดเลยนะยังกับปลาห ม, มึกนะเ mm hmm. กาะเกี่ยวเราให้รัดก็ฉุดไปไหนก็ยากนะเคยเห็นพวกมแมลงมันพันกันไหมพวกมแมงมุมเนี่ยนะมันพันมันล้อมตัวเองไว้ดักไว้จนไม่รู้จะออกอยังไงนะ mm hmm. เมื่อชีวิตที่อยู่ด้วยความล้อมกรอบ mm hmm. ก็เต็มไปด้วยความอึดอัดนะมันมีแต่ความโกรธนะเผาไหมแผดเผานี่ใครที่ทําให้โกรธก็เลยผูกโกรธคนนั้นเลยเนี่ยนะ เขาเรียกว่าความครั้งแรกเรียกว่าโกรธโกรธตามมาเขาเรียกว่าผูกโกรธไอ้โกรธได้บ่อยๆโกรธได้เป็นเนืองนิดนึกเมื่อไหร่ก็โกรธทุกทีไปเรียกว่าผูกโกรธทั้งโกรธทั้งผูกโกรธใครที่ทําให้โกรธไอ้คนนั้นมันก็ไม่ไม่ดีนะมันก็เลวมากก็เลยลบหลูไอ้ความดีที่คนนั้นมีอยู่ก็ลบไปหมดเลยนะนะกระบว่าลบหลูก็คือลบความดีทิ้งให้เห็นแต่ความเลวร้ายความดีมันจะแค่ไหนเชื่อนะ อันเขามีดีความตรงไหนก็มองไม่เห็นมีแต่ลบลูกคุณของเขาใส่แล้วคําพูดว่าเต็มไปด้วยความเพิ่เจอพูดไปเรื่อยเปลยไม่รู้พูดให้เป็นอะไรพูดไม่มีสถานีจอดปราณนั้นพวกนีก้เรียกว่าว่าไปเรื่อยเนี่ยนะพูดจบไปแล้วก็เดือดร้อนตัวเองแล้วอันชีวิตจึงเต็มไปด้วยความริษยาเนี่ย น, นะความริษยาเห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีก็ไม่พอใจแล้เห็นคนอื่นอยู่ดีมีสุขตัวเองก็เดือดร้อน คนนี้ริสยาตาร้อนก็นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยนะ <c oughs> คิดมากว่าทําไมคนนั้นก็ได้ดีคนนี้ก็ได้ดีทําไมเราเนี่ยมันก็เลยคิดหาช่องทางที่จะประทุษร้ายคิดหาช่องทางที่จะเบียดเบียนคนอื่นเขาสิ่งใดที่ตัวเองมีอยู่ก็เต็มไปด้วยความตระหนี่ไม่อยากให้เป็นสาธารณะแก่คนอื่นขอเราเป็นคนอัศจรรย์แต่เพียงผู้เดียวขอเป็นคนพิเศษแต่เพียงคนเดียวเนี่ยนะก็ตระหนี่ที่จะกระจายคุณงามความดีไปหา ค, คนอื่น คนนี้ก็มานยาแล้วคำว่ามานยาก็คือเช่นมานยาก็คือมายาแปลว่าเงาก็คือหลอกลวงความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเคยเห็นลิเกไหมลักษณะคล้ายๆลิเกนะมีแต่โอยพระเจ้าข่าพระเจ้าข่านั่นแหล <S <S <S ะเพชรเต็มตัวไปหมดเลยนะแปลว่าแสดงกัลิเกนะท่านมารยาก็คือลักษณะลิเกนั่นแหละพวกการแสดงที่เอาวงการมานยาใช่ไหมวงการมารยาก็คือความหลอกลวงมันจริงไหมล่ะโอตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยนะ แต่ว่าออกมาแล้วก็ตกงานตามเดิมเนี่นะดีไม่ดีก็มาอะไรนะมาแทบจะเรียกว่าขอความเห็นใจด้วยเถอะเนี่นะเสร็จ แ, แล้วบางคนก็เต็มไปด้วยความโอ้อวดใช่ไหมมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็โอดอวดอวดอยู่นั่นแหละเที่ยวอวดมีคุณความดีอยู่นิดเดียวก็เที่ยวโชว์พูดแล้วพูดเล่าพูดซ้ำๆซักๆพูดด้วยความโออวดนะนะมีนิดมีหน่อยเท่านั้นแหละก็โอวดบ้างอวดมีอวดบ้างอวด ม, ม, ม, ม, ม, ๆๆมีพวกกัพซ์และอริยซัพบเนี่ยนะ บางทีมีศรัทธาอยู่นิดเดียวเนี่ยโอยเหมือนกับว่าศรัทธาใหญ่โตอ น, นะมีศีลอยู่ขาดกระพร่องกระแพร่งอ่ะ น, นะมีอยู่นิดเดียวก็โชฉอยู่นั่นแหละอะ น, นะน่ก็ฟังมานิดเดียวก็เหมือนกับส่งพระไตรปิดกเลยแหละอ น, นะฉลาดนิดเดียวก็เหมือนกับทะลุปุกโป่งทั้งโ ล, ก, ล, งงลกนี้เทวโลกหมดเลยอันพวกนี้ก็โอ้อวดเต็มไปได้วยความโอ้อวดเสร็จแล้วแต่ว่าพื้นฐานในที่สุดก็ สัสถะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินนะพวกสัสถะทิฏฐินั่นแหละคือตันหาจริตพวกอุเฉททิฏฐิก็เป็นพวกทิฏฐิจริตสัสถะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิก็ปฏิบัติอยู่สัสถะทิฏฐิโดยมากก็การมัศุขคลิกานุโยกอุเฉททิฏฐิโดยมากก็เป็นอัตตะกิลมัทธานุโยกพันความชั่วทางกายสังสารวัฏก็จเจริญมันชีวิตกิงอยู่ด้วยความเศร้าหมองชีวิตของผู้ที่อยู่ในวัตตาก็เป็นเช่นนี้แล ท่นี้ถ้าจะเจริญคุณงามความดีเพ claro> ื่อจะนําออกจากวัตะคุณงามความดีเพื่อความหมดจดความบริสุทธิ์ของบุคคลเหล่านั้นก็มาเจริญสมถาวิปัสสนาซึ่งเป็นปฏิบัติต่ออวิชชาและตันหาเนี่ยนะมาอบรมอยู่ในสมถาวิปัสสนาเพราะสมถาวิปัสสนาเป็นคุณธรรมเครื่องนําออกจากวัตทุเนี่ยนะมีฮิริโอตปะเพราะหิริโอตปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเพราะฮิริโอตปะ เป็นคุณธรรมให้อะไรนะละอายที่จะทําความชัว่วเกรงกลัวที่จะทําบาปประการเกรงกลัวที่จะทําบาปธรรมอกุศลเนีย่ยนะละอายต่อบาปอากุศลเกรงกลัวต่อผลแห่งบาปอากุศลเกรงใจตัวเองแล้วก็เกรงใจพระพุทธเจ้าถ้าจะทําบาปเมื่อไหร่ก็เกรงใจตัวเองนะเคยไหมบอกโอ้ทําบาปไม่ได้หรอกเกรงใจตัวเองเดี๋ยวตัวเองจะตําหนิตัวเองนะทำใจไม่ได้ทำไม่ได้หรอกคนอื่นตําหนยิยังพอทนได้แต่ตัวเองว่าตัวเองนี่สิ ไม่รู้จะไม่อยากจะต่อว่าตัวเองไม่ทําชั่วดีกว่านะก็โอต่ปปาปะก็เกรงใจพระพุทธเจ้าเกรงใจพระศาสดาผู้มีความหวังดีผู้มีความปรารถนาดีต่อเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแยกแยะบุญกุศลแยกแยะคุณงามความดีแยกแยะเหตุแห่งความเจริญแยกแยะเหตุแห่งความเสื่อมรู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญก็พอกพูนรู้อะไรเหตุเป็นเหตุแห่งความเสื่อมก็กําจัดละลายออกไป เป็นผู้ที่มีโยนิโสมนศิการคิดตามคันลองที่ตามความเป็นจริงคิดตามอริยสัจคิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปล่อยใจให้เป็นไปกับคำสอนเป็นผู้ที่หมั่นเพียรหมั่นเพียรก็คือตั้งเป้าในการเจริญกุศลพ่อโพนคุณงามความดีพ่อโพลกุศลเหล่านั้นเหล่านั้นไปเรื่อยๆเป็นผู้ที่ว่าง่ายพระพุทธเจ้าแนะนาให้ทาอะไรก็เจริญตามนั้นคนพ่านแนะนาอะไรก็ไม่ฟังเลย ไอ้คำว่าว่าง่ายเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าแนะนําก็ปฏิบัติตามทุกประการคนอื่นแนะนําก็ไม่ทําตามเรียกว่าว่าง่ายไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าอะไรเอาไว้ก่อนและคนอื่นแนะนําเชื่อหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าว่าง่ายคนเหล่านี้เรียกว่าว่ายากอย่างเช่นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพวกที่ว่ายากคืออะไรคือพวกที่ครูอาจารย์ที่มีคุณธรรมสั่งสอนแล้วไม่เชื่อไปเชื่อเพื่อนชั่วเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าคนว่ายากเนี่ยนะ คุณธรรมเพื่อความหมดจดก็คือยานที่รู้ในเหตุเนี่ยนะานที่รู้ในปัจจัยยานที่รู้ในทั้งเหตุและปัจจัยยานที่รู้ในความสมควรเนี่ยนะอะไรสมควรอะไรไม่สมควรยานที่รู้ในความสิ้นไปยานที่รู้ในความไม่เกิดขึ้นขยะยานกับอนุปาทยานขยะยานก็คือยานในอริยมรตอนุปาทยานยานที่รู้ในความไม่เกิดขึ้นก็คืออริยผลดารงมั่นโดยความเป็นผู้ที่มี ศรัท ธ, ธาเนี่ยนะมีศรัท ธ, ธาผู้ที่มีศรัท ธ, ธาก็ปฏิบัติอยู่ในโสตปฏิยังฆ่าธรรมสใช่ไหมครบสัตบุรุษฟังธรรมของสัตบุรุษโยนิสงมนัสการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่โลกุตรธรรมการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ก็ทําด้วยความภาคเพียรทําด้วยความไม่ประมาทกุศลธรรมคุณงามความดีเหล่านี้จะเจริญได้ต่อเนื่องจเจริญได้ไม่เสียหายก็อาศัยการฟัง เพราะการฟังนี่จะทำให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังมาแล้วก็เข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจิตที่เศร้าหมองเมื่อได้ฟังธรรมใจก็ผ่องใสเนี่ยนะตอนการฟังธรรมนี่เป็นเหตุใกล้แห่งความตรัสรู้เป็นต้นเผู้ที่ไม่ประมาทก็แบ่งเวลาแบ่งเป็นว่าเวลาไหนควรจะฟังธรรมเมื่อการฟังที่ดีมีประโยชน์ก็อยู่ที่การสํารวมเนี่นะ สุตวานะสังวเรปัญญาสีแลมเยยานังใช่ไหมพอมีการฟังฟังจนเข้าใจจําแนกแยกแยะฟังว่าอันนี้ควรรู้ยิ่งอันนี้ควรกําหนดรู้อันนี้ควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตานี้เป็นเหตุแห่งความเสื่อมนี้เป็นเหตุแห่งความดํารงอยู่นี่เห็นเป็นเหตุแห่งความพิเศษยิ่งๆ่งขึ้นไปนี้เป็นเหตุใกล้ให้จำแรกกิเลสนี้ทุกสมุทัยนิโรธมักเมือ่อฟังเข้าใจแล้วก็มาสังวรเนี่ยนะ สังวรทั้งกายสังอะสังวรตาสังวรหูสังวรจมูกสังวรลิ้นสังวรกายสังวรสิ่งที่ทําสังวรคําที่พูดสังวรความรู้สึกนึกคิดสังวรเนี่ยสํารวมแปลว่าปิดแปลว่ากั้นไม่ให้บาปอกุศนไหลทะลักท่วมเข้ามาเมื่อเป็นผู้ที่มีความสํารวมดังกล่าวไปแล้วก็ไม่เพ่งเล็งเต็มเจริญอานาพิชานะนะไม่เพ่งเล็งแล้วก็ไม่พยาบาทไม่ผูกใจโกรธไม่นะไม่เจ็บใจโกรธ ถ้าปฏิบัติตามนั้นได้สมบูรณ์เจโตวิมุติเป็นที่สำรอกราคะคืออนาคามีผลปัญญาวิมุติเป็นที่สำรอกอวิชาก็คืออรหัตผลแล้วก็ความบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นการตรัสรู้ธรรมการตรัสรู้ทุกข์ด้วยปริญญาตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งตรัสรูม้มรดุด้วยการเจริญดํำรงมั่นในคุณธรรมคือความเป็นผู้มรด์น้อย มักน้อยเนี่ยมักน้อยในอะไรมักน้อยในมหาภูตรูปสี่แต่เพิ่มภูนคงามความดีอยู่ตลอดเวลาเพิ่มภูบุกุศลสันโดษในปัจจัยสี่แต่ไม่สันโดษในกุศลนนะพวกมักน้อยสันโดษนี่เขาใช้กับมหาภูตรูปสี่นนะรู้จักพีรู้จักพอไอคำว่ารู้จักพอเนี่ยหมายคำว่าพอแล้วเลิกสแสวงหาเลยไม่ใช่อย่างนั้นหมายคำว่าเต็มใจพอใจภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่ แล้วก็พระพุทธเจ้าก็สรนเสริญในการเรื่องความเพียรความบากบันความมั่นคงด้วยความหมั่นความขยันใช่ไหมผู้ที่อยู่ด้วยความหมั่นความขยันเป็นต้นก็ไม่เสื่อมจากทรัพย์แต่ว่ามักน้อยหมายถึงว่าไม่บางคนที่มักมากเนี่ยนะไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหิวอยู่ตลอดเวลาคนที่ไม่รู้จักสันโดษก็คือไม่เต็มใจในสิ่งที่มีอยู่เลยก็มาดํารงาในความมักน้อย มากน้อยเนี่ยปกติมีอยู่สามอ่ามากน้อยในปริยัตมากน้อยในทุดงมากน้อยในอธิคมเป็นต้นเนี่ยนะมากน้อยในปัดอ่ามากน้อยในปัจใจสี่นี้เป็นยังไงก็คือไม่ตั้งความปรารถนาว่าตัวเองจะได้สิ่งเหล่านั้นเป็นต้นมาจากไหนนะมากน้อยในปริยัติก็คือเลิกเรียนเลยเรียนแต่น้อยก็พอเขบอกว่ามากน้อยในปริยัตก็คือเรียนแล้วไม่มุ่งไปเพื่อจะโอ้อวดผู้ใดเรียกว่ามากน้อยในปริยัต มากน้อยในทุดงก็คือรักษาทุดงก็ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้มากน้อยในอธิคมถึงได้บรรลุมรรคผลก็ไม่บอกใครส่วนสันโดษก็คือสันโดษในปัจจัย4ี่เพียงพอแก่การอยู่ได้เพียงพอแก่การดํารงชีพแล้วก็เพิ่มพูนบุญกุศลดํารงอยู่ด้วยความไม่โกรธไม่ผูกโกรธก็คือดํารงอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาไม่ลบหลู่คุณของผู้อื่นก็คือเจริญ มุทิตาเนี่ยนะกลายเป็นผู้ที่มีมุทิตาต่อผู้อื่นนะไม่ไม่ดูหมิ่นผู้อื่นเขามีคุณงามความดีส่วนใดก็ยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมขณะเดียวกันก็ไม่เพ้อเจริเนี่ยนะไม่เพ้อเจริญคำพูดเพ้อเจริก็คือคําพูดที่ไม่มีไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมไม่มีสังวรไม่มีสังวรวินัยไม่มีปัญหาณวินัยไม่เป็นไปเพื่อรู้อริยสัจแต่ก็พูดไปเรื่อยพูดจบก็ชวนกันฟุ้งซ่านเนี่ยนะพวกนี้เรียกว่าเพ้อเจริ ก็สบายใจอยู่ดีๆีพูดซะจนไม่สบายใจเลยเรียกว่าเพ้อเจอร์แล้วก็ละความริษยาละความริษยาก็คือเห็นผู้อื่นก็ได้ดีแล้วก็มุทิตาสแสดงความยินดีไปกับเขาละความตระหนี่ก็คือทำอ่ะนะสิ่งใดที่สมควรแก่ผู้ใดก็ไม่ตระหนี่ไม่หวงแหนอ่ะนะไม่ตระหนี่ไม่หวงแหนบางคนเนี่ยตระหนี่ถึงขนาดเรียกว่าคนอื่นมาจับของของเราไม่ได้เลยโกรธเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าตระหนี่เพราไม่ได้เป็นอย่างนั้น ผู้ที่ปฏิบัติได้ตามนั้นก็ดำรงอยู่ในวิชาคือการตรัสรู้วิชาแปลว่าการรู้อริยสัจวิมุตติก็คือการหลุดพ้นจากวัตตะวิโมกข์ที่มีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์วิโมกข์ที่มีอสังคตะธรรมเป็นอารมณ์วิโมกข์ที่มีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์ก็คือวิปัสสนาทั้งหลายวิปัสสนาทั้งหลายมีสังคตะธรรมเป็นอารมณ์เนี่ยนะอนิมิตตาวิโมกขอัปปนิหิตะวิโมกขและ สุญญตาวิโมกอนิมิตตาวิโมกก็คือวิโมกที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่มีเครื่องหมายแห่งนิจนะนิมิตเครื่องหมายแห่งความเที่ยงอปะนิหิตาวิโมกเมื่อเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ไม่ตั้งความปรารถนาเพื่อต้องการ น, นะสังขารธรรมเหล่านั้นแล้วก็สุญญตาวิโมกก็เห็นแต่ความว่างเปล่าจากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและอัตตาจากสังขารทั้งหลาย ส่วนวิโมกที่มีอาสังคตาธรรมเป็นอารมณ์ก็คืออริยมรรคอริยมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเอง Gina, เรียกว่าวิโมกที่มีอาสังคตะธรรมเป็นอารมณ์นิพพานธาตุที่ยังมีขันและกรรมมาชลบก็คือสอัพปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุและนิพพานธาตุที่ไม่มีขันและกรรมมาชลคืออนุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุกุณธรรมทั้งหมดดังที่กล่าวไปเนี่ยนเรียกว่าความหมดจดของของบุคคล ผู้ตันหาจริตและบุคคลผู้เป็นทิฏฐิจริตก็มาคงมาดูได้ว่า <c oughs> ผู้เป็นตันหาจริตทิฏฐิจริตนั้นอยู่ไปด้วยความเศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอยู่ด้วยอกุศลอย่างไรความหมดจดความสะอาดจากบาปอากุศลเหล่านั้นจะหมดจดได้อย่างไรเนี่ยจะบริสุทธิ์จะโวทานจะผ่องแผ้วคุณธรรมเครื่องทําให้ผ่องแผ้วบริบูรณ์อยู่ในคุณงามความดีนี้ทําได้อย่างไร ธรรมะทั้งหมดที่กล่าวมานี้เรียกว่าภูมิแห่งติปุกคะะในกับอังกุสะใ น, น, นติปุกคะะในก็คือนยะที่มีความงดงามสามประการด้วยกันและอังกุสุนอังกุสะในก็เหมือนกับตะขอเกี่ยวมาแล้วก็ดึงเพื่อจะมาสารวจตรวจตราดูอย่างให้ละเอียดและหมดจดนั่นเองนี่เรียกว่าอังกุสะในสรุปทบทวนว่า นันทิยาวัตไนเนี่ยนะไนที่นยะเวียนรอบเนะเหมือนกับดอกพุดเวียนรอบด้วยธรรมะมูลบทสี่ก็คือตันหาอาวิชาและสมถะวิปัสนาประมวลคุณธรรมอย่างลงสู่สัจจะสี่การหมุนเวียนะนะได้อย่างนี้เรียกว่านันทิยาวตัตไนติบุคละในในยะที่มีความงดงามสามประการก็คือการพิจารณาพิจารณาอะไร พิจารณาอากุศลมูลสามอากุศลมูลสาแล้วก็อย่างกุศลมูลอากุศลโมลูนอย่างลงสู่สัจจะทั้ง4ประการส่วนสีหวิกีลิตะในเนี่ยนะในที่เยี้ยงกลายดุรราชสีที่ไม่หวาดสะดุงดเสียวของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระปัเจกพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายท่านก็พิจารณาอะไร ที่จรณาวิปปล่าสีแล้วก็อินทรีสี่ประการอย่างคุณอย่างลงคุณธรรมเหล่านั้นสู่สัจจะทั้ง4ี่ประการนั้นเรียกว่าสีหวิกิลิตาในทิสาโลจานาในก็เป็นการมองดูมองดูธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นอังกุษะในก็คือการเกี่ยวดึงมาเพื่อการใคร่ครวญและพิจารณ า, าทั้งหมดที่กล่าวมาเรียกว่านายะสมุทฐานเนี่ยนะนยสมุทฐานทั้งห้านยะ คืออะไรบ้าง 1. น, นันทิยาวัตนาย 2. ติปุคละน 3. ยสสีหาวิกีลิตในายสีที่สาโลจนะน 5. ยอังกุสะนัยะเนี่ยนะอังกุษะนยะนนะะนส่วนนัยยะนี่ถือว่ามีความละเอียดประณีตแล้วก็ลึกซึ้งกว้างขวางนะความกว้างขวางแห่งธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่เอาไปใคร้ครวนไปพิจารณา ทำให้ศึกษาพระธรรมเข้าใจอย่างกว้างขวา ง, วางเพรา ะ, ะพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะมันทําให้เห็นความสัมพันธ์การเชื่อมการร้อยพูดถึงธรรมะอีกอย่างหนึ่งมาก็กระทบไปถึงอีกหลายอย่างที่มีความสัมพันธ์กันโดยเหตุและผลถ้ากล่าวสิ่งหนึ่งก็ชื่อว่ากล่าวอีกหลายสิ่งด้วยกันเนี่ยนะถ้ากล่าวสิ่งที่ควรละเท่ากับกล่าวถึงการเจริญการทําให้แจ้งและการกําหนดรู้ด้วยเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างว่า ในธรรมะหมวดสีน่นี่ถ้ากล่าวอาหารสี่ก็ชื่อว่ากล่าวอะไรเรียกว่าธรรมะทั้งระบบนี่เลยถ้ากล่าวอาหารสี่อย่างเดียวโน่นจบลงที่อปมัญญาสี่พันถ้ากล่าวอาหาร4ี่ก็เท่ากับกล่าววิปลาสีอุปาทานสีโยค้าสคันทะสอาสวะสโอคาสสัลละสีวิญญาณทิติสอคติขมานะสถ้ารู้จักกรรมกิเลสความเศร้ามองอย่างนี้ดีก็ต้องรู้จักปฏิปทาเพื่อ ความหมดจดคือปฏิปทาสี่สติปทานสี่ฌานสีวิหารธรรมสี่สัมมาปทานสี่อัจฉริยะอภูตธรรมสี่อธิฐานธรรมสสมาธิภาวนาสี่สุขภาคิายาธรรมสี่อัปปมัญญาสี่มัธรรมะทั้งหมดยี่สิบหัวข้อใหญ่พูดตรงไหนก็ได้มันจะถึงกันหมดนะพูดตรงไหนก็ได้ถึงกันหมดมันธรรมะสี่สิบเนี่ยนะเรียกว่าสี่สบอย่างเนี่ยสีบหัวข้อธรรมเหล่านี้ พูดตรงไหนก็คือกล่าวสิ่งเดียวกันจะสัมพันธ์กันไปหมดเลยการที่สามารถหมุนได้รอบเข้าใจวิธีการขยายหมุนได้รอบเข้าใจถ้ากล่าวกล่าวอันหนึ่งแล้วมันกระทบไปถึงอีกอันหนึ่งได้อย่างไรเป็นต้นนี้ก็คือว่าเข้าใจนัยยะได้เป็นอย่างดีนัยยะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนในการฟังพุทธพจน์ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นะนะเมื่อเราอ่านพระไตรปิฎกฟังพระไตรปิฎกเราก็จะเข้าใจได้อย่าง กว้างขวางขณะเดียวกันถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ย น, นะปฏิบัติธรรมการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งหลักการพิจารณาหลักการปฏิบัติคําสอนเหล่านี้ <c oughs> ก็จะบอกกล่าวแนะนําเราทั้งหมดเนี่ยนะอันการที่เราจะปฏิบัติผิดปฏิบัติพลาดปฏิบัติห่างไกลจากคําสอนก็เป็นไปได้ยากเนี่ยนะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราปฏิบัติอย่างมีหลักการแล้วก็ดาเนินไปตามระเบียบแบบแผนแห่งคําสอนเนี่ยนะคำสอนจะสัมพันธ์กัน คำสอนเหล่านี้เราดูแล้วจะไม่มีการขัดกันเองเลยเพราะถ้ากล่าวแม้กล่าวว่าพรหมวิหารสี่หรืออัปมัญญาสี่กับกล่าวลูกศรนสีก็ก็ถือว่ายังกล่าวในสิ่งเดียวกันอยู่เนี่ยนะไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยถึงกล่าววิปัสนาอ น, นิจจังทุกขังอนาตาัตตก็ไม่ได้ห่างไปจากการเข้าใจในคุณเหล่านี้เลยเพราะว่าอั บ, อ บ, อบวิโมกสหรืออนุ ป, ปัสนา3ที่เป็นปัจจัยแห่งอริยมรรค ก็ยังสัมพันธ์กับพระธรรมทั้งหลายในในกลุ่มเหล่านี้เพราะพระธรรมเหล่านี้เป็นเป็นระบบมีแบบมีแผนเนี่ยนะไม่ใช่ว่าการกล่าวธรรมะใครอยากจะกล่าวเรื่องอะไรก็กล่าวไปเรื่อยเปื่อยตามตามที่ปากว่าอยากจะพาไปแต่กล่าวอย่างมีหลักการมีเหตุมีผลเพราะคําสอนเหล่านี้มีความน่าอัศจรรย์เมื่อกล่าวถูกต้องแล้วมีความอัศจรรย์อยู่ในตัวใช่ไหมคำสอนเหล่านี้เมื่อกล่าวจบจะต้องละมานะได้ถอน อะไรถอนปัญหาได้ละอวิชาได้ในที่สุดก็มีความสงบระงับดับภพบได้อย่างอย่างแท้จริงเนี่ยเกี่ยวกับนิยาสมุทฐานก็คงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาดูลองดูศาสนาปฐานบ้างนะศาสนาปฐานในตอนท้ายจะทำให้เราเข้าใจอะไรได้หลายอย่างด้วยกันเกี่ยวกับการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะเราจะมองพระสูตรต่างๆออก